เคยเสพเคยสุขเคยทุกข์เคยร้อนตาวนอ่อนไหวไร้เหตุพรอยไว่าทยานอยากมากเลกลนดินรนตามตันหาจะพาไป ก่แรงรุมร้อนทอนไม่ไหวต่อแสงธรรมส่องสว่างกลางหาไทยที่มืดบอดบาบ่าบาจึงได้รู้มาเดินทางสายไม่ไม่ง่ายนักอาไัย แข่งนักสู้แม้ลำบากอยากครใครเอ็นดูก็จะไม่ยอมอยู่อย่างผู้แพ้ชัยวังเหยียบโลกไว้ใต้ฝ่าเท้าในบางคราวก้าพลาด อาจเกิดแพลและเจ็บบ้างบางครั้งเขารังแกหากท ร, รมะแท้คือเพียรจักชนะตน สายยิิงในสักว์แห่งนักสู้แม้ลำบากยากไรใครเอ็นดูก็จะไม่ยอมอยู่อย่างผู้แพ้ใช้วังเหยียบโลกไว้ใต้ฝ่าเท้าในบางคราวก้าวพลาด อาจเกิดแปลและเจ็บบางบางครั้งเขารังแกหากทำมาแท้คือเพียงจะชนะโต